คำเตือนล่วงหน้าเมื่อท่านอาจารย์มั่นชาราภาพมากแล้วท่านจะพูดเตือนพระเนนอยู่เสมอให้ตั้งอกตั้งใจเพราะการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของจีรังถาวรมีแต่ทำเท่านั้นเป็นสิ่งที่ควรยึดอย่างมั่นใจ ตายใจครูอาจารย์เป็นของไม่แน่นอนอย่านอนใจว่าได้มาอยู่กับครูกับอาจารย์แล้วท่านจะอยู่กับเราตลอดไปเมื่อ น, นานเข้านานเข้าท่านอาจารย์มั่นก็เปิดออกมาอีกว่าใครจะเข้มแข็งความภาคเพียรอะไรก็ให้เข้มแข็งมีความรู้ความเป็นอะไรภายในจิตใจ เอาให้มาถามมาเล่าให้ฟังพิกษุเท่าจะแก้ให้นี่เวลาพิกษุเท่าตายแล้วยากนะใครจะแก้เรื่องจิตใจทางด้านจิตตะภาวนานี่ไม่นานนะท่านย้ำลงไม่เลยแปดสิบนะแปดสิบก็นี่มันนานอะไรพากันมานอนใจอยู่ได้เหรอ เมื่อท่านอาจารย์มั่นพูดเตือนดังกล่าวพระเนนทั้งหลายต่างสลดสังเวชใจรีบตั้งหน้าตั้งตาเร่งปฏิบัติกันสำหรับตัวท่านเองท่านเล่าถึงเหตุการณ์ตอนสำคัญนี้ให้พระเนนฟังว่าเหมือนกับว่าจิตใจนี่มันสั่นริกๆอยู่ <Ô. S 2> พอได้ยินอย่างนั้นแล้ว ความภาคเพียนก็หนักเวลาครูบาอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่เราก็ได้พึ่งพาอาศัยร่มเงาท่านแก้ข้ออัดข้อทมที่สงสัยก็เร่งความเพียนเข้าเต็มที่เต็มที่พอท่านย่างเข้าแปดสิบพับท่านก็เริ่มป่วยแหละพอป่วยแล้วท่านบอกไว้เลยเชียวแน่ฟังสิ ซึ่งท่านเคยป่วยเคยไข้ามาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเป็นไข้ามาลาเรียเป็นไข้อะไรท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องเป็นเรื่องตายแต่พอคราวนี้เพียงเริ่มเป็นเท่านั้นไม่ได้มากอะไรเลยท่านบอกว่าผมเริ่มป่วยมาตั้งแต่วานซืนนี้นะเพราะเราอยู่อำเภอวาริชภูมิเราไปถึงวันค่าหนึ่ง ท่านก็ป่วยขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนสี่ผมจำได้ขนาดนั้นนะวันค่ำหนึ่งเราก็ไปถึงท่านผมเริ่มป่วยตั้งแต่วานซืนวานซืนก็หมายถึงวันขึ้นสิบสี่ค่ำนี่ป่วยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะไม่หายยาจากเทวดาชั้นพรมไหนๆก็มาเถอะท่านว่า ไม่มียาขนานใดในโลกนี้จะมาแก้ให้หายไข้นี้จึงเป็นไข้สุดท้ายแต่ไม่ตายง่ายนะเป็นโรคทรมานเขาเรียกว่าโรคคนแก่อย่าไปหาอยู่ขายามาใส่มารักษามันเป็นไปตามสภาพของขันนี้แหละท่านว่าอย่างนั้นเอามารักษา ก็เหมือนกับใส่ปุ๋ยแล้วรดน้ําไม้ที่ตายยืนต้นแล้วนั่นแหละจะให้มันผลิดอกออกใบออกผลเป็นไปไม่ได้ยังแต่เวลาของมันเหลืออยู่ที่จะล้มลงจมแผ่นดินเท่านั้นนี่ก็อยู่แต่มันยังไม่ล้มเท่านั้นเองจะให้หายด้วยยาไม่หายนะนี่เพียงเริ่มเป็นเท่านั้นท่านบอกแล้วแน่ไหม ท่านอาจารย์มั่นฟังสิผมถึงได้กราบสุดหัวใจผมท่านเปิดออกมาอย่างนั้นไม่มีอะไรผิดย่างเข้าแปดสิไม่เลยแปดสิบนาก็ฟังสิโรคนี้เป็นไข้าวาระสุดท้ายจะไม่หายจนกระทั่งตายจะตายด้วยป่วยคราวนี้แหละท่านว่าแต่ไม่ตายง่าย เป็นโรคทรมานก็จริงตั้งแต่เดือนสี่ถึงเดือนสิบสองฟังสิเจ็ดแปดเดือนท่านเริ่มป่วยไปเรื่อยเหมือนกับค่อยสุมเข้าไปสุมเข้าไปสุดท้ายก็เป็นอย่างว่านั้น